ทุกท่านตั้งใจฟังคธิบาลเรื่องกรรมฐานอย่าลืมว่าในตอนต้นนี้จะแนะนำกรรมฐานเพื่อในหลักสูตรกรรมฐาน40เพื่อเป็นความรู้และจะเลือกปฏิบัติเพราะกรรมฐานที่ทราพพทะเจ้าให้มานี้มี40อย่างเอารงใจของคนถ้าแบ่งจป็นยก็มียศครก อารมณ์ข้นใจหกอย่างให้เลือกกรรมฐานแต่ละกองแต่ว่ากรรมฐานเฉพาะเจาะจงจะว่ากันทีหลังดะงนั้นอ น, อนุสติวันนี้เป็นกองที่สิบวันนี้ถือว่าจบอนุสติำาำ่าอนุสติแปลว่าตามนึกถึงมีพระพุทธติเป็นเบื้องต้นและมีอาณาปานุติเป็นสุดท้าย วันนี้ก็จะพูดกันถึงอนนาปานุสติคำว่าอานาปานุสติเร้วนึกถึงลมให้ใจเข้าออกคื อ, อจิตเข้าไปรับทราบลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกถ้าตามแบบของมหาเศรษฐประธานสูตรท่านแนะนําว่าเมื่อให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้า หายใจออกรู้อยู่หายใจออกอันนี้เป็นเบื้องต้นก็รู้อยงหยาบแต่พ่าถ้าสมาธิสูงขึ้นหายใจเข้ายาวหรือสั้นหายใจออกยาวหรือสั้นก็รู้อันนี้เป็นเป็นสมาธิที่มีกําลังสูงขึ้นละเอียดกว่าแต่ว่าถ้ากําลังใจเข้าถึงปฐมฌานคําว่าปฐมฌานก็มีสามอย่างอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียด ถ้ากำลังใจเข้าถึงมะธมัชยอย่างละเอียดจะรู้ลมให้ใจตลอดสายให้ใจเข้าตั้งแต่จมูกไปถึงศูนย์เหนือสะดือจะรู้สึกตัวหมดหายใจออกตั้งศูนย์เหนือสะดือกระทบเรื่อยมาจากนาอกจากท่อ น, นาอก ถ, กถึงจะโบกดืม่มไปปากอันนี้รู้สึกตัวหมดอย่างนี้เรียกว่าเจออนาปานุสติ ถ้ขาขณะใดยังรู้ลมให้ใจเข้ารู้ลมให้ใจออกขณะนั้นชื่อว่าจิตมีสมาธินานาปานุสติเท่าที่พูดมาเมืกี้นี้เป็นรีลาของมหาจติปัฐานสูตรถ้าเป็นของกรรมฐานสี่สิกรรมฐานสนี่สินเพราะว่าเป็นกรรมฐานรวมทุกอย่างเป็นทั้งสุขัสสะโกเทวิโชธราเปญโยเป็นเสมิดาปัตโตเป็นหมด ถ้าในมหาจตานสูตรเป็นเฉพาะสุ ข, ขบสัสโกฉะนั้นการกําหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกของกรรมฐาน40มี3ฐานเพือว่าเวลาให้ใจเข้าจะรู้สึกว่าลมกระกบทบที่จมูกและกระทบที่หน้าอกกระทบทีท่ศูนย์เหนือสะดือเวลาให้ใจออกจะรู้สึกว่า ลมกระทบศูนเหนือสะดือกระทบหน้าอกถ้าคนลิ้นที่ปากงุ้มจะมีให้ลมกระทบจมูกถ้าลิ้นที่ปากเชิดจะกระทบริมนที่ปากในปางองกรรมฐาน 40, สี่สิบตั้งเป็นสามฐานนอะย่าลืมว่าให้ใจเข้ารู้สึกกลมกระทบที่จมูกกระทบที่หน้าอกกระทบศูนเหนือสะดือ หายใจออกกระทบศูนย์เหนือสะดือกระทบไดออกกระทบจบมูกด้วยริมที่ปากก็ด จ, จมูกหรือริมที่ปากก็ได้แต่ว่าที่สังเกตถ้าริมที่ปากงุม้มจะกระทบรู้สึกกระทบที่จมูกถ้าริมที่ปากเชิดจะรู้สึกกระทบที่ริมที่ปากถ้าขณะใดจิตใจรู้ลมหายใจเข้าใจออกอยู่เวลานั้นชื่อว่าจิตไม่สมาธิ นี่เป็นสมาธิในในนานาปานุสติการรู้ลมให้ใจเข้ารู้ลมให้ใจออกอันนี้ท่านไม่ต้องภาวนาเอากันแค่รู้ลมเข้าลมออกนะแต่ว่าถ้าจะผสมกับกองอื่นด้วยก็ได้ไม่ห้ามนี่เฉพาะอาณาปานุสติท่านบอกไม่ต้องใช้คำภาวนาว่าการภาวนานี่มันมีทั้งคุณทั้งโทษ ถ้าขณะใดา้จิตสงัดดีมีอารมณ์สงัดเราใช้ธรรมนาควบด้วยดีธรรนาควบก็ได้พิจรารณาก็ได้คือใช้ปัญญาคิดพิดจรารณาก็คืออารมณ์คิดคิดในด้านสมถะพรวนายังอย่างมรณานุกติษนัถึงความตายก็ได้คิดในร่างกายเป็นส ก, กายณิฐิคิดในด้านกายมีส่วนสัตว์ต่างๆผมผมคนเล็บฟันหนังเลือเป็นต้นก็ได้ คิดเึงสุดไปรกรรมฐานก็ชีวิตขอวเราร่างกายทั้งหมดเต็ไมไปความสุขกขระบกโซ่เขากิงก็ได้แล้วก็รู้ลมให้ใจเขาออกไปด้วยแต่ว่าการจะคิดหรือไม่คิดหรือภาวนาหรือคิดกระตุ้ตนตัวน่าจะลมองจิต <c oughs> ถ้าจิตต้องการความสงัดพอสมควรถ้าจิตต้องการในขอเเขื่องความสงัด ก็ใช้ภาวนาเพราะว่าเวลาที่จิตต้องการภควภามสงัดนั้นไปพิจารณาไม่ได้ถ้าจะพิจารณาจิตมันจะไม่ยอมคิดด้วยก็จิตต้องการสงบเวลาใดที่จิตมีรมต้องการคิดต้องการใช้ปัญญาก็ให้พิจารณาจะสังเกตได้ว่าถ้าเราพิจารณาจิตจะเป็นสุขอย่างนี้ที่ว่าจิตต้องการพิจารณา ถ้าเราแค่ภาวนาจิตเป็นสุขไม่ต้องการคิดอย่างนี้เที่ยวจิตต้องการสงัด <c oughs> ตอนนี้สำหรับอนาปานาุสติถ้าจะว่าจถึงการระ ง, งับริวอนก็เป็นระ ง, งับริวอนตัวที่สี่คืออุทะจะกุขุจะที่มีอารมณ์ฟุ้งซ่านในํำคาญถ้าจะว่าถึงกรรมฐาน เป็นจริตในในอารมณ์หัวใจคือแก้จริตก็แก้วิตกจริตโมหจริตคําว่าวิตกจริตคืออารมณ์ชอบคิดเป็นชอบคิดนอกรูนอกทางอย่างนี้ถ้ะเรียกวิตกจริตเขาครอบงาหรือว่าโมหจริตเนียลมหลงคิดว่าอารมณ์คิดที่ไม่เข้าท่าไม่เข้าทางเป็นเรื่องภายนอกมันเป็นของดีเรียกโมหจริต ถานาปานุสติก็ใช่กับพิจตกัญจริตกามูหะจิ ก, ก, กแก้อารมณ์นี้ถ้าถือว่าเป็นการแก้หนีวอนก็นถือว่าแก้อุทจักมุจจาข้อที่สี่เพื่อลมฟุ้งซ่านไม่ทรงตัวตอนนี้การเจริญ น, า, นาปานุสติอาการรมฐานกองนี้ต้องถือว่าเป็นกรรมฐานกองใหญ่ที่สุดในกรรมฐานสี่สิบ มีสามสิบเกกองต้องขึ้นกับอนาปานุสติทั้งหมดไม่ว่าเราจะทำกองไหนต้องใช้ลมให้ใจควบทุกกองถ้าไม่ใช้ลมให้ใจควบจิตจะไม่ส่งความไปสมาธิหรืออาจจะไปสมาธิได้แต่เปสมาธิไม่นานก็สลายตัวหรือไม่ฉะนั้นกว่าาะเข้าไปจะส่งตัวรปสมาธิได้ก่นนาน ฉะนั้นทุกกองถ้าจะทำกรรมฐานอีกสามทุกเก้ากองเขาต้องรู้ลมให้ใจเขาออกก่อนเขาเรียกว่าต้องใช้อนาปานุติกรรมฐานก่อนนันกปฏิกรรมฐานอานาปานุติกเป็นกรรมฐานงับการพุ่งสั้นเขาทำกันยังไงเวลาที่เราจะฝึกก็จะเรียนว่าความพุ่งสั้นของจิตนี่มันเป็นของธรรมดาอารมณ์ของจิตเพราะว่าความพุ่งสั้นเป็นนิวรณ ทำนิวานิวรณพระพุทธเจ้าทรงแปลว่าเป็นกิเลสยาที่ทำปัญญาให้ถอยหลังในกระหมายควาณิวรณ์เนี่ยถ้าเข้าครอบงมจิตเราก็จะกลายเป็นคนไร้ปัญญานิวรณ์จริงๆมีห้าอย่างคือหนึ่งความรักปลวงังในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสหวางเพศ สองอารมณ์ไม่พอใจสามความวง่่งเสียอารมณ์ฟุ้งซ่านและํำคาญห้าสงสัยในผลของการปฏิบัติทั้งห้าอย่างนี้ถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งเข้ามาแทกใจในเวลากริงกรบาฐานเวลานั้นจิตของเราไม่สามารถจะทรงสมาธิได้จิตจะฟุ้งซ่าน ฉะนั้นเวลาเจะเรียนกรรมาฐานจริงๆต้องอาศัยอารมณ์สงัดจากนิวรห้าประการถ้าจะถามว่าถ้าอย่างนั้นมีวิธีใดบ้างที่เราจะกําจัดนิวรห้าประการได้วิธีตอบก็ไม่ยากว่าถ้าเรายังไม่เป็นพระอนาคา ม, มีเพียงใดเราก็ยังไม่สามารถจะตักนิวรสองข้อต้นได้ แค่สองข้อต่นนะยังไงยไงนิวรณ์ก็ยังมีอำนาจเหลือเหนือเราอยู่แลถ้าเรายังไม่เปลีนพระอร t h ผลเพียงใดเราก็ยังไม่สามารถตัดนิวรณ์ตั้งแต่ข้อสามข้อสี่ข้อห้าได้กรรงความว่านิวรณ์ทั้งห้าตัวนี่จะต้องตัดด้วยความเป็นพระอริยเจ้าเบื้องสูงฉะนั้นในเมื่อเรายังไม่เป็นพระอริยเจ้าเบื้องสงูนิวรณ์ก็ครอบงําจิต เราก็ยังไม่มีโอกาสจะตัดในเมื่อเราตัดไม่ได้ทําไงที่งงนิวระ ง, งับก็มีทางเดียวที่เราจะหลบนิวรังวิธีหลบนิวรังก็คือว่าไม่นึกถึงชื่อมันเลยมันจะมีอะไรบ้างก็ช่างโหรามันเราไม่สนใจในมันแต่คําว่าไม่สนใจเนี่ยก็ต้องระวังนะเพรเดียวเดียวจิตก็เข้าไปยุ่งในนิวรังเหมือนกัน ในเราตอนต้นเราคิดว่าเวลานี้เราจะไม่สนใจกับนิวรณ์กรรมฐานที่เป็นศัตรูกับนิวรณเป็นกรรมฐานใจก็คืออนาปานุสติเวลานี้เราต้องการรู้ลมให้ใจเข้ารู้ลมให้ใจออกอารมณ์อื่นที่ใ้คิดเราไม่ยอมคิดเราไม่ต้องการอะไรทั้งหมดความเป็นทิพย์ของจิตใจการท่องเที่ยววัจนภพต่างๆ การระลึกชาติการรู้จิตใจของคนทุกอย่างเวลานี้เราไม่ต้องการเราต้องการอย่างเดียวคือรู้ลมให้ใจเข้ารู้ลมให้ใจออกหลังจากนั้นเราก็ตั้งจิตเข้าไปรับทราบลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกแต่ก็จงอย่าลืมทั้งๆ ท, ท, ที่คิดว่าจะไม่สนใจในมันแต่ว่าธรรมชาติของจิตมันคบวิวรมาไหลสงไขกัด คือเราเกิดมาแล้วในหลายอสังขัยกับแต่ในชาติที่เราเกิดมาจิตเราก็วุ่นวายกับนิวร์จะเป็นปกติคือหนึ่งความรักในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสวดงเพศเราชอบอารมณ์ที่ชอบอย่างนี้มัเป็นอารมณ์ของนิวรณ์และราการในสองใครทําไม่ถูกใจเราโกรธอาการโกรธความอย่างนี้ก็เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ รายการในสามเพราะมุ่งจะทําความดีจะคิดแล้วจะทํางานสักอย่างหนึ่งเพื่อไปงานจะออกกําลังกายน้อยความง่วงเข้ามาแทรกอันนี้ก็แปรลงเพรานิวรณ์เพราะว่าเราจะคิดกิตการงานและทํางานอย่างใดอย่างหนึ่งต้องใช้ความคิดเราต้องการจะคิดจะวิจัยกิจการงานอย่างนี้ให้มันดีที่สุดเทื่อเพ่นจะดีได้แต่ปรเดี๋ยวเดียวอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งนี้นิวรณ์ห้าก็เข้ามาแทรก อารมณ์อื่นเข้ามาแทรกอันนี้อย่างนี้ก็เป็นนิวรณ์แล้วกับราการที่หเรามุ่งเชื่อด้วยปัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งเเกิดขึ้นมีกิจอย่างใดอย่างหนึ่งที่วันเราควรจะเชื่อได้ใช้ปัญญาพิจนารณาแล้วแต่ประเดี๋ยวเดียวอารมณ์จอนก็เข้ามากเกิดสงสยัยว่าสิ่งที่เราเชื่อเนี่ยมันจริงหรือไม่จริงมีผลจริงหรือมีผลไม่จริงอย่างนี้ก็แป็าการนิวณ์ อารมณ์วความอาการทั้งห้าอย่างนี้มันมีในใจเรามาตลอดทุกทุกครั้งที่มการเกิดก็ดที่ว่าอารมณ์จิตของเราคบหนีวอนไปปรสงค์ไถ่กับอยู่อยู่เราจะบังคับให้มันหลีกไปโดยเฉพาะโดยรวดเร็วก็เป็นไปไม่ได้ก็มีความจะเป็นก็ต้องโต้กไปทู่ไปสั่วมาในระยะแรกระยะแรกแรกเราอาจจะแพ้มันมากกว่าชนะ ตาทำหนักๆเข้าเราก็จะแพ้กับชนะเท่าๆกันในที่สุดไอาการชิงขึ้นเราก็ชนะมากกว่าแพ้ในที่สุดถถึงขั้นเราเป็นผู้ชนะตลอดกาย์จากนั้นวิธีปฏิบัติเพื่อการควบคุมจิตท่านทำยังไงในวิสุทธิมรรคอนเวลาโชติประฐานสี่สิบท่านกล่าวว่าอย่างนี้ท่านบอกว่าอันดับแรก ถ้าจิตมันฟุ้งซ่านไม่สามารถจะควบคุมได้ถ้าเราจะแค่เอาจิตเข้าไปรู้ลมให้ใจเข้ารู้ลมให้ใจออกก็ดีหรือว่าจะทำให้จิตละเอียดกว่านั้นให้ใจเข้าออกเรารู้ให้ใจเข้ายาวหรือสั้นเราก็รู้ให้ใจออกยาวหรือสั้นเราก็รู้มันสามารถจะคุมได้ประเดี๋ยวเดียวประเดี๋ยวหนึ่งอารมณ์อื่นเข้ามาแทรกี่แสดงว่าจิตเราไม่สามารถจะทรงตัวได้นาน ในการทรงสมาธิหรือว่าการทรงฌานได้นานหรือไม่นานอยู่ที่อนาฟานุสติวิธีปฏิบัติขั้นต้นท่านบอกว่าให้นับหนึ่งถึงสิบหายใจเข้าหายใจออกนับว่าหนึ่งเราจะนึกนับในใจก็ได้จะขยับนิ้วมือก็ได้เนี่ะมีก้อนขวดก้อนใสเพื่อน่าหายใจเข้าหายใจออกรอบแรกหยิบก้อนขวก้อนใวางไว้หนึ่งเม็ดก็ได้ อย่างไดอย่างหนึ่งถ้าจะถนักให้ใจเข้าใจออกนับวันหนึ่งง่ายใจเข้าให้ใจออกนับวันสองอันนี้เป็นคู่ต้นแล้วกลับมาใหม่ให้ใจเข้าใจออกนับวันหนึ่งให้ใจเข้าใจออกนับวัสองให้ใจเข้าใจออกนับวสามแล้วขึ้นต้นใหม่ให้ใจเข้าใจออกนับหนึ่งสองสามสี่แล้วหนึ่งสองสามที่ห้าหนึ่งสองสามี่หก อย่างนี้จะเลื่อยไปสุดแล้วจะว่ามันจะไปเผื่อตรงไหนตอนนี้วิธีปฏิบัติจริงๆถ้าทำแบบนี้รู้สึกว่ามันยากก็เลยทดสอบการปฏิบัติมาแล้วนะถ้านับตามแนววิสุทธิมัติยากก็จงอย่าลืมนะว่าขณะใดที่รู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกและขณะใดที่รู้การนับเวลานั้นจิตเป็นสมาธิ คำว่าสมาธิมันหมายความว่าไม่รู้เรื่องอะไรทั้งหมดไม่ใช่หลับสมาธิคือเราการตั้งใจเราตั้งใจรู้การนับรู้ตั้งใจรู้ลมหายใจเขาออกขณะใดที่ทรงจิตใจยังทรงอยู่ในการตั้งใจที่เรากําหนดไว้เวลานั้นเอว่าจิตมีสมาธิเท่าที่เคยปฏิบัติกันมาก็าทําง่ายกว่า น, นี้ อันดับแรกใช้กำหนดบังคับใจหรือว่าเราจะนับหนึ่งถึงสิบให้ใจเข้า ใ, ใจออกนับเป็นหนึ่งให้ใจเข้า ใ, ใจออกนับเป็นสองเรื่อยไปจนถึงสิบแล้วก็ตั้งใจว่าถ้ายังไม่ถึงสิบเพียงใดถ้าจิตใจมันฟุง้งซ่านมันคิดโน่นคิดนี่เข้ามาแทรกแทนเมื่อรู้สึกตัวเราจะไม่นับต่อเราจะขึ้นต้นใหม่ ขึ้นต้นใหม่นับหนึ่งจนกว่าจะถึงสิบถ้าถึงสิบจิตเริ่มพุ่งสัน้นก็เลิกก็ได้แล้วพอใจตอนนี้ถ้าหนึ่งถึงสิบจิตยังไม่พุ่งสัน้นเรวก็นับเรื่อยไปถ้าพุ่งสั้นมาครับไม่ไหวเราก็เลิกถือว่าได้กําไรถ้านับถึงถึงสิบคิดว่าพอทุนกับเราที่ต้องการถ้ามาเอิญมาเลยสิดขึ้นไปแล้วตอนนี้ยังไม่ต้องกำหนด พยายามควบคุมพิธีการนับหนึ่งถึงสิบให้มากที่สุดทำให้นานๆในหลายวันถ้านับหนึ่งถึงสิบได้ครบจิตไม่ฟุ้งซ่านก็นับหนึ่งถึงสิบใหม่แล้วนับ1ิบเอ็ดสิบสองถึงยี่สิบก็ได้ไ่ใหม่จริงๆแค่หนึ่งถึงสิบไม่ต้องสู้กันไปสู้กันมาอาจจะตั้งตั้งต้นบ่อยๆทั้งนี้ถ้ามันได้ยโยงพระธิษัส ท, ทุกคนะพระทุกท่าน ตั้งใจทําอย่างนี้เนะเอาจริงๆทุกวันก่อนหลับนับหนึ่งถึงสิบแล้วก็ถ้าไมัเกินสิบก็ดีตามใจมันถ้ายังสบายแล้วไม่เลิกถ้าจิตมันเกิดฟุ้งซ่านแล้วก็เลิกตอนตื่นเช้ามืดตื่นขึ้นมาใหม่ๆนับหนึ่งถึงสิบ ท, ทั้งนี้ก็ตั้งใจนึกถึงพระพุทธเจ้าซะก่อน ต่อไปไม่กี่วันนักไอ้วันต้นๆมันก็สู้ไปสู้มาแค่หนึ่งถึงสิบันต้องสู้กันมันจะคิดอย่างอื่นต่อไปจิตมันชินนับหนึ่งถึงสิบก็แล้วจิตก็ไม่ไปไหนถึงยี่สิบก็แล้วจิตไม่ไปไหนถึงสามสิบก็แล้วไม่ไปไหนเข้าที่เคยทดลองตั้งแต่หนึ่งถึงสองสามร้อยเนี่ยมันยังอยู่ถ้าทำได้อย่างนี้ชื่วาการทรงสมาธิของทุกท่านดีมาก ยันเวลาที่ใช้กําลังที่คุยยานเห็นผีก็ตามเ ท, ทว ด, ดาโนศวันก็ตามแล้วย้ยไปไหนก็ตามจิตจะทรงตัวถ้าจะคุยกับเทว ด, ดาคุยกับนางฟ้าคุยกับพระพรหมคุยกับ พ, พ, พระอริยเจ้าคุยกับพยายามกอคุยใครก็ตามมันจะอยู่ได้เป็นชั่วโมงไม่จะไม่เคลื่อนจะไม่เลื่อนไปไหนนี่เป็นการฝึกการทรงตัวว่านาปาโนสติ ถ้าเราสามารถทรงตัวได้ขณะที่รู้ลมหายใจเข้าออกไปด้วยนับไปด้วยเวลานั้นจิตไม่คุ้งซ่านจิตคงการนับรู้ลมหายใจเข้าออกแต่ว่าบังเอิญมีเสียงแทรกเข้ามาเป็นเสียงวิทยุเสียงโทรทัศน์เสียงคนพูดเสียงคนร้องเพลงก็ตามเสียงสนม่งเข่าก็ตามเวลานั้นปลายกดเราไม่ราคาญในเสียง ขณะนั้นเพื่อทราบว่าจิตเราอยู่ในปทงไม่ฌานทั้งนั้งที่รู้รวมไม่ใจก็ออกเสียงที่นับอยู่ทานแหนถ้าเกิดไม่รำคาญในเสียงกมาจิตก็จิตอ ย, อยู่อยู่ในขั้นปทงไม่ฌานฌานที่ห น, นถ้าเรานับไปนับไปนับไปเจอจิตมีความสุขขึ้นสุขขึ้นจิตมันหยุดนับเฉยๆจิตมีความสุขของใสสดชื่นอย่างนั้นเป็นอาการที่ฌานที่สอง ถ้าต่อไปถ้านับไปนับไปจิตหยุดหยุดหยุดการนับจิตมีตัดความสดชื่นทิ้งมีความสุขมากทิ้งไปมีการทรงตัวเฉยๆหูดินเสียงภพ่หนังไพ่นอกน้อยแล้วร่างกายที่นั่งอยู่และนอนอยู่ตามรู้สึกตึงเป็งคล้ๆกับไขมัดจะจับให้ทรงตัวท ร, ร, รงตรงตรงมีการเครียดทางร่างกายแต่จิตเป็นสุขอย่างนี้แปลกายค้นชามีสาม เวลานี้จะรู้สึกลมหายใจเนี่ยเบามากจะรู้สึกน้อยเต็มทีแต่ทําทไปทไปําไปถ้จิตหยุดหยุดพอหยุ ด, ยดนับแล้วจิตสงัดลมหายใจเบาลงเบาลงเบาลงจิตมีความสูงมากจิตตั้งทรงตัวมากในที่สุดไม่รู้สึกลมหายใจเขาออกและก็ไม่รู้การสั่มผ่านเข้าไปนอกสุนักจะเหา่าจะหอนเสียงอะไรเสียงจะดังคนจะพูดจึงต่างสงคราม ไม่รู้ทั้งหมดแต่ว่าไม่หลับมีความรู้สึกตัวเต็มบริบูรณ์ข้างในสว่างจ้ามีความสุขมากจิตเป็นหนึ่งไม่เคลื่อนไหวอย่างนี้แวรการของชานดิสี่นี่เป็นลักษณะของอนาปานุสติแล้วก็คุณสมบัติของอนาปานุสติมีมากพระเวลาจะหมด คือว่าถ้าใครฉลาดลก็ว่ามีการคล่องตัวในอนาปาทั้งปให้คล่องจริงๆสามารถจะเข้าฌานได้ทุกเวลาตามที่เราต้องการจะเป็นเวลาหิวข้าวอุ ป, อปจาระปัสาวะแม้จะเดินเข้าส้วมกุจาระจัดหยัดอย่างนี้ก็สามารถจิตสรงฌานได้ถ้าคล่องอันนี้จะมีความจําเป็นแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดใหญ่สําคัญคือว่าถ้ามีทุกขเวทนากับร่างกาย ยังป่วยแค่ไม่สบายไป็จุกน้นเฉียดนี่ปวดน้นก็ตามถ้าเวลานั้นเราสามารถทรงอนาปานุทสติได้ทุกเวทนาแล้วสมาธิกําลังทุกเวทนาจะรู้สึกเบาลงไปมากถ้าจิตเข้าถึงฌานเกือบจะไม่รู้สึกทุกเวทนาถ้าจิตเข้าถึงฌานที่สี่มันจะไม่รู้ทุกเวทนาเลยกระบวนการต่อไปประโยชน์ใหญ่ก็คือว่า บุคคลที่คล่องในอนาปานุสติสามารถจะรู้กำหนดเวลาตายของตอนเองได้จะตายเมื่อไรตายวันไหนอาการตายไปยังไงจะรู้ได้ทันทีและเวลาจะตายท่านที่สอนอนาบานุสตินี้ทําห้หลงตายไปม่มีมีทางเดียวว่าถ้ารู้เวลาถึงเวลาจะตายท่านจะเลือกทางของท่านว่าเวลานี้ท่านจะไปสวรรค์หรือไปพรทมโลกหรือปณิพาน์ เป็นหน้าที่ของท่านจะเลือกแล้วก็ได้ตามความประสงค์อั น, นี้ถือว่าเป็นคุณประโยชน์ของอนาปาลติสำหรับอนาปาลติก็หมดเวลาจะพูดต่อที่ไปก็ขอแนะนำบรรดาญาโยมบริษัทในด้านมโนมยิทิคำว่ามโนมยิทิแปลว่ามีลิพทางใจเห็นยังมีคนเก่ามากึนนะเป็นนั้นว่าการปฏิบัติ ก่อนที่ภาวนาทั้งหมดตั้งแต่บัดนี้ไปจนไปขอบรรดาญาโยนทั้งหมดทําใจตามนี้ให้มีความรู้สึกตามความเป็นจริงด้วยปัญญาว่าการเกิดในมนุษย์โลกมันเต็มไปได้วยความทุกข์ความหิวก็ทุกข์ความกระหายก็ทุกข์ความแก่ก็ทุกข์ความป่วยไข้ไม่สบายก็ทุกข์ ความปรารถนาไม่เค่อยสมหวังก็ทุกข์ความคัดพลาดจ้าของรักของเจใจก็ทุกข์ความตายเข้ามาถึงก็ทุกข์โลกนี้ทั้งหมดมันมีแต่ความทุกข์ไม่มีความสุขก็คิดต่อไปล่าคนอย่างเราเนี่ยคนจะมาโลกนี้อีกไหมถ้าเป็นคนที่มีปัญญาจริงๆเพราะเรืองพอมีปัญญาอยู่บ้างไม่โง่เกินไป เขาก็จะมีความรู้สึกว่าไอ้โลกที่มาเต็มด้วยความทุกอย่างนี้ไม่น่าจะมาอีกก็ตัดสินใจว่าถ้าร่างกายตายครา้งนี้เราไม่มาโลกนี้ถ้าไม่มาโลกนี้เราจะไปโลกไหนไปเทวโลกเทวโลกกับพรมโลกมีความสุขจริงแต่ถ้าหมดบุญวาสนาบารมีก็กลับมาใหม่ท่านที่ได้พญามโนยิธิธแล้วจ ะ, จะทราบ ว่าก่อนจะมาเกิดเป็นคนแล้วสมัยก่อนแล้วเคยเกิดเป็นเทวดากันบ้างเคยเกิดเป็นนางฟ้าบ้างเคยเกิดเป็นพรหมบ้าง เ, เกิดเป็นคนหลายหลายชาติแต่ใ น, นที่สุดแล้วก็อยู่ที่นั่นไม่ได้ต้องมาทุกใหม่เท่านี้พ่อใหญ่พวกเราไม่หมดกิเลเพราะเรายังติดความโง่อยู่คือติดโลกฉะนั้นเราก็คิดในใจว่าไอ้โลกที่เต็มไปด้วยความทุกข์อย่างนี้เราขอตัดความโง่เลิกไม่ต้องการมันอีก แล้วไม่ต้องการเทวดาหรือผมเราต้องการจุดเดียวคือนิพพานหลังจากนั้นก็ภาวนาวนาภาภาันมะพาทะเวลาให้ใจเข้านึกว่านมะเวลาให้ใจออกด้กวาภาภา่าพทะอย่าลืมว่าเวลาที่ให้ใจเข้าจะออกก็ปล่อยอารมณ์ตามสบายองอใจขรับรับสาตร์ถูกก็จะภาวนาประมาณสิบนาทีต่อ น, นั้นไปก็มีคนเข้าไปสอนเข้าไปแนะนา เขาจะแนะนำในการตัดกิเลสในช่วงระยะมีคนเข้าไปแนะนำนี่เขามันดายญาโยมวตัตถุประชทุกคนเลิกภาวนาทันทีและก็ไม่สนใจอารมณ ใ, ใจเขาออกตั้งใจรับฟังคำแนะนำขณะที่รับฟังคำแนะนำของเขาอยู่จิตจะว่างจากกิเลสเมื่อจิตสะอาดเมื่อกิเลสมันพ้นไปจิตก็สะอาดอารมณ์เป็นที่กเกิด ในเมื่ออารมณ์ความเป็นทิพย์เกิดอารมณ์ความเป็นทิพย์เกิดครูเขาก็จะถามว่าเวลานี้มีความรู้สึกว่ามีผู้ใดอยู่คนหน้าบ้างเขาถามนีพเทวดาหรือนางฟ้าหรือพรหมให้ถือความรู้สึกเป็นสำคัญแก่ถือลูกตาเพราะทิพ ย, ยานไม่ใช่ลกตาเห็นมีความรู้สึกมีความรู้สึกทางใจสายตาจิตให้เชื่ออารมณ์แรกของจิตที่มีความรู้สึก แล้วก็ถามว่ามีผู้ใดยอยู่ข้ า, างหน้าบ้างถ้าความรู้สึกว่ามีให้ตอบว่ามีจะยั้งตัวแล้ถ า, ถามว่าท่านคนนั้นเป็นหญิงผู้ชายก็ตอบตามความรู้สึกถ้าหากก็ถามว่าท่านคนนั้นแต่งโทสีอะไรก็ตอบตามความรู้สึกหลังจากนั้นเขาจะได้นำไปไปพระจุฬามนีจีริรฐานได้ไปนิพพานนิสสาคนใหม่คนเก่าเขาจพาท่องเที่ยวไปจำพบต่างๆแถมนักชาติได้ ล้วตอนนี้ไปขวัญด า, าญ่าโยมพระธบริษัททุกคนหันหน้าไปทางพระตรูตั้งใจสมาทานศีล ส, สมาทานปนกรรมฐาน